ังสมัยภะควาสาวัตยังวิหารติเทตวันเนอนาถ บ, บุนทีก่กัสสะอารามีปะรักโขอายสเมคิริมันโถอาภาทิโถโหตีติ กแสดงพระสูตรอันหนึ่งอันโบราณอาจารย์เจ้าหากกำหนดไว้ว่าเทริมเมนนทสูตรอ้างเนื้อความว่าครั้งปฐมสังคยนาพระมหาสังคาหกเทระเจ้าทั้งหลายห้าร้อยองค์ยอนโอกาสไว้ให้พระอนุนองหนึ่งได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมแล้วคอยพระอนุนองเดียวกําลังเจริญสมถะวิปัสนาอยู่ ยังไม่ได้สําเร็จพระอระหันต์ครั้นพระอนนทเทระเจ้าได้สําเร็จพระอระหันต์แล้ว<า>ก็เข้าจตุทัชฌานเอาปทวีกสินเป็นอารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะท่ามกลางสง์ให้พระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอรหันตค์คนที่ถ้าสัตบัรณัูหาปฏิญาณตนในอเสขาภูมิด้วยประการละชนีแล้วพระมาหาสังคาหกเทระเจ้าทั้งหลาย มีพระมหากัสสปะเป็นประธานจึงได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอานนุ์ขึ้นนั่งเนื้อธรรมมะแสดงพระสุตันตปิฎกยกเิริมนนทสูตรนี้ขึ้นเป็นที่ตั้งลำดับไวอย่างนี้พระมหากัสสปะเคระจา้าจึงถามพระอา น, นุ์ว่าดูก่อนอา น, นุนทสูตรอันชื่อว่าเคริ่อมนนทสูตรนั้น พระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใดและตรัสเทศนาณนที่ไหนปรารบอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนามีวิษฐานพิสดารอย่างไรขอให้พระอานนท์เจ้าจงแสดงต่อไปในการบัดนี้ ลำดับนั้นพระอ น, น์เถระเจา้าผู้นั่งอยู่บนธรรมะได้โอกาสแต่พระสงค์แล้วจึงวิสาชนาพระโสดนี้มีคำปฏิญญาในเบื้องต้นว่าเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานน์หากได้สดับมาแต่พระอบแก้วกล่าวคือ พระโอษฐแห่งพระพุทธเจ้าดำเนินความว่าเอกังสมยังสมัยกาลคา้าหนึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จสำราญพระอิริยบทอยู่ณพระเชตวันวิหารอันเป็นอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัถีในกาละครั้งนั้นพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่า คีริมนนทเทระผู้มีอายุอาพาธิโกเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะอดกลั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงได้เชิญข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานน์เข้าไปยังสำนักแห่งตนแล้วจึงได้กล่าวว่าดูก่อนอานน์ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคีริมนนนี้บางเกิดอาพาธหนักเหลือกำลัง ที่จะเพิ่งอดกลั้นไม่สามารถจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ข อ, อนิมนต์ท่าน อ, อ น, นุนนำเอาอาการอ า, าพาธอันร้ายแรงแห่งข้าพเจ้าไปกราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเพื่อทรงพระมหากรุณาทรงเกราะให้ทุกขเวทนาเจ็บปวดซึ่งเบียดเบียนอยู่ในร่างกายแห่งข้าพเจ้า ผู้ชื่อว่าคิริมาโนนี้ระงับอันตรธานหายเถิดข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนน รับเถระวาทีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลอาการแห่งอาพาธและทุกขเวทนาตามคำสั่งของพระคิริมนนให้สงสารทุกประการอัตโขในการลครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงสารอาการแห่งพระผู้เป็นเจ้าคิดิมนนดังนี้แล้วจึงได้ตรัสแก่ข้าอานนท์ว่า ดูก่อนอานนเมื่อท่านไปถึงสำนักพระคิริมณ น, น์แล้วท่านจงบอกสัญญาสองประการคือรูปประสัญญาหนึ่งนามสัญญาหนึ่งคือว่ารูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดีคือนามได้แก่จิตเจตสิกทั้งหลายก็ดีก็ให้ปงรงธุละเสียอย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตน เป็นของของตนทุกสิ่งทุกอย่างความจริงหากเป็นของภายนอกสิ่งทั้งนั้นดูก่อนอานนุ์ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้เมื่อเขาแก่เท่าชราตามัวหูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้งฟันโยคลอนเจ็บปวดเหล่านั้นเราจะบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าเป็นอย่างนั้น อย่าเป็นอย่างนี้นี่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์เขาจะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็คงจะพาเอาไปได้ตามความปรารถนาดูก่อนอ น, นนน จิตเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตนตไม่ใช่ของของตนหากว่าจิตเจตสิกเป็นเราหรือเป็นของของเราก็จะบังคับได้ตามประสงค์ว่าจิตของเราจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นจงสุขสำราญทุกเมื่ออย่าทุกข์อย่าร้อนเลยดังนี้ก็จะพึงได้ตามปรารถนา นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาจะอยู่จะไปก็ตามเรื่องของเขาเพราะเหตุร่างกายจิตใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนให้ปรงธุระเสียอย่าเข้าใจถือเอาว่าเป็นตัวตนและของของตนเถิดดูก่อน อ, อนนตน พันจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการคือรูปและนามนี้โดยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของของตนให้พระคิรีมนนแจ้งทุกประการเมื่อพระคิรีมนลแจ้งแล้วอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนา<อ><อ>ก็จะหายจากสตีระร่างกายแห่งพระคิรีมนนสิ้นเสร็จหาเศษบ่อมีได้ จกหายโดยรวดเร็วด้วยดูก่อนอ น, อนนตัวตนเราก็ดีตัวตนแห่งผู้อื่นก็ดีตัวตนแห่งสัตว์ดิรกชานทั้งหลายก็ดีก็มีอยู่แต่กองกระดูกซิมด้วยกันเสมอกันทุกตัวคนและตัวสัตว จะหาสิ่งใดเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นแท่งเงินแท่งทองแต่สักสิ่งสักอันก็หาไม่ได้จะหาเอาอันใดเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นเจตสิกแห่งบุคคลผู้ใดสักอันหนึ่งก็ไม่มีรนเป็นอนัตตาหาแก่นสารมิได้บุคคลหญิงชายขฤรือหัดนักบวชทั้งหลายมาพิจารณาเห็นแจ้งชัด ในรูปน้ำจิตแจตสิกโดยเป็นอนัตตาดังนี้แล้วก็จักมีอนิสงส์ไม่มีส่วนที่จะพึงประมาณได้เหมือนดังสุพัทธาสามเณท่านพิจารณาแต่คำว่าอัตมิชังเยื่อในกระดูกเท่านั้นท่านถือเอาอัตถิกะสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็ผ่องใสรุ่งเรืองเห็นแจ้งในร่างกายของตน จนได้บรรลุธรรมวิเศษเหตุถือเอาอัตถิกสัญญาเป็นอารมณ์เห็นอนัตตาแจ่มแจ้งด้วยประการดังนี้ดูก่อนอนตนมรณะสัญญาพิจารณาความตายก็ดีอัตถิกสัญญาพิจารณากองกระดูกก็ดี ปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของพึงน่าเกลียดน่าสอิดสะเอียนเต็มไปด้วยหมูนอนและสัตว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันมากตามลาไส้น้อยลำไส้ใหญ่ตามเส้นเอ็นทั่วไปในร่างกายและเต็มไปด้วยเครื่องเน่าเหม็นมีอยู่ในร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้นับว่าเป็นของเปล่า ไม่มีอะไรเป็นของเราสักสิ่งสักอันเกิดมาสาคัญว่าเป็นสุขความจริงก็หากสุขอย่างนั้นเองถ้าจะให้ถูกแท้ต้องกล่าวว่าเกิดมาเพื่อทุกข์เกิดมาเพื่อเจ็บเกิดมาไขา้เกิดมาเป็นภยาทิเจ็บปวดเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาพลัดพร า, ากจากกันเกิดมาหาความสุขไม่ได้ ความสุขนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมีน้อยเหลือประมาณไม่พอแก่ความทุกข์นอนหลับนั่นแลนับว่าเป็นความสุขแต่เมื่อมาพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วซ้ำเป็นทุกไปเสียอีกถ้าผู้ใดได้พิจารณาเห็นตามดังเราตถาคตแสดงมานี้เป็นมิตรอันหนึ่งครั้นจดจําได้แน่นอนในตนแล้วก็เป็นเหตุ ให้ได้มักผลนิพพานในปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยดูก่อนอนนุนนักปราช้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญาท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐานปรารถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งท่านยอมถือเอาอสุภะในตัวตนเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้ายัางเอาอสุภะภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้ว อย่างไม่เต็มทางปัญญาเพราะยังอาศัยสัญญาอยู่ถ้าเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเป็นตัววิปัสนาญาณได้ดูก่อนอ น, นน์บุคคลผู้ใดปรารถนาพระนิพพานจงยังอสุภะกรรมฐานในตนให้เห็นแจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็ให้พิจารณาปฏิกูลสัญญา ลงในตนว่าแม้ตัวเรานี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็หากเป็นของหน้าพึงเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไว้แล้วก็จะพึงเป็นของหน้าเกลียดเหมือนอสุภะแท้หากมีหนังหุ้มห่อไว้จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ก็ได้รมอศาศาส ปัสสาวะเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตนนี้ก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปแต่นั้นก็จะเป็นอาหารแห่งสัตว์ทั้งหลายมีหนอนเป็นต้นจะมาเจาะใช้กินส่วนลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งเป็นเจ้าชีวิตนั้นเล่าก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของของตัวเขาอยากอยู่ เขาก็อยู่เขาอยากดับเขาก็ดั บ, เ, ดบเราจะไปบังคับบัญชาไม่ได้ตามปรารถนาถ้าขาดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วความสวยความงามในตนและความสวยความงามภายนอกคือบุตรภรรยาและข้าวของเงินทองและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงก็ย่อมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้นเลียวซ้ายและขวา จะได้เห็นบุตรภรรยาและนัก ด, ดาหามิได้ต้องอยู่คนเดียวในป่าช้าหาผู้ใดจกเป็นเพื่อนสองก็มิได้ดูก่อนอนนน บุคคลผู้ใดมาพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐานส2สองโกธาต์เห็นซากผีดิบในตน้นชื่อว่าได้ถือเอาความสุขในทางพระนิพพานวิธีเจริญอสุภกรรมฐานตามลำดับคือให้ปรงจิตลงในเกษาให้เห็นเป็นอสุภะแล้วให้สำคัญในเกษานั้นว่าเป็นอนัตตาแล้วให้เอาโลมา ตั้งรงปรงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอาหน้ขาทันตาตั้งรงปรงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วให้ตั้งเอาตะโจตั้งรงตามลำดับไปจนถึงมัตเเกมัทรุมคังเป็นที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาโดยในเดียวกันนี้ดูก่อนอนนน เราตถาคตสแสดงมานี้โดยพิสดารให้กว้างขวางทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแท้จริงบุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วก็ให้สงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภกรรมฐานท่านมิได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลาย เพราะเป็นการเ่ินช้าท่านยกอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาสงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนาตตาท่านก็ย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวกการที่จะเิญอสุภะกรรมฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อนายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยของงามทั้งวัตถุภายนอกและภายใน ให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าผุพังจะได้ยกตนให้พ้นจากกิเลสตัณหาผู้มีปัญญารู้แล้วไม่ควรชื่นชมยินดีในรูปตนและรูปของผู้อื่นทั้งรูปหญิงรูปชายทั้งวัตถุข้าวของดีงามประณีตบรรจงยังได้อย่างหนึ่งเลยเพราะว่าความรักทั้งปวงนั้นเป็นกองกิเลสทั้งสิน้น ถ้าห้ามใจให้ห่างจากกองกิเลสได้จึงจะได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าหากใจยังพัวพันอยู่กับกองกิเลสแล้วถึงแม่จะได้รับความสุขสบายก็เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นเบื้องหน้าต่อไปไม่มีทางที่จะได้เสวยสุขมีแต่จะได้เสวยทุกโดยถ่ายเดียวผู้มีปัญญาเมื่อได้เจริญอสุภานุสติกรรมฐาน อาทวังคติงสาการ32เป็นอารมณ์ก็ควรละกองกิเลสตัณหาให้ขาดสูนเมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเป็นผลเป็นกุศลต่อไปเมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามก็หาผลอนิสงส์ไม่ได้เพราะละกิเลสตัณหาไม่ได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตกเข้าไปในกองเพลิง เมื่อรู้ว่าเป็นกองเพลิงก็รีบรลีกออกหนีจึงจะพ้นความร้อนถ้ารู้ว่าตัวตกเข้าไปอยู่ในกองเพลิงแต่มิได้พยายามที่จะลีกหนีจะพ้นจากความร้อนความไหมอย่างไรได้ข้ออุปมานี้ฉันใดบุคคลผู้รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นโทษแต่มิได้ละเสียก็มิได้พ้นจากโทษ เหมือนกับผู้ไม่พ้นจากกองเพลิงฉะนั้นดูก่อนอนตน์ผู้รู้แล้วและไม่ได้ทำตามนั้นจะนับว่า เป็นคนรู้ไม่ได้เพราะไม่เกิดมรรคเกิดผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเราตถาคตอนุญาตตั้งาศาสนธรรมคำสั่งสอนไวน้นี้ก็เพื่อว่าเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นโทษให้ละเสียมิใช่ตั้งไว้เพื่ออ่านเล่นฟังเล่นพูดเล่ น, เ, ลนเท่านั้นเลยบุคคลทั้งหลายได้เสวยทุกข์ในมนุษย์ และในอบายยภูมินั้นมิใช่สิ่งอื่นเลยเป็นเพราะกิเลส ร, ราคะตัณหานั้นอย่างเดียวถ้าบุคคลผู้ยังไม่พ้นจากกิเลส ร, ราคะตัณหาได้ตราบใดก็ยังไม่เป็นผู้พ้นจากอบายทุก์ได้เ็นตราบนั้นบุคคลผู้ไม่ได้พ้นจากกิเลส ร, ราคะอัณหานั้นจะทําบุญให้ทานสร้างกุศลอย่างแข็งแรงเท่าใดก็ดี ก็จะได้เสวยความสุขในมนุษย์โลกและในเทวโลกเพียงเท่านั้นที่จะได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นเป็นอันไม่ได้เลยถ้าประสงค์ต่อพระนิพพานแท้ให้โกนเกล้าเข้าบวชในพระศาสนาไม่ว่าบุรุษหญิงชายถ้าทําได้อย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานเพราะว่าเมืองนิพพานนั้น ปราศจากกิเลสตัณหาเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์เป็นที่ทรงไว้ซึ่งกิเลสตัณหาไม่เหมือนเมืองพระนิพพานผู้มีปัญญาเมื่อปราถนาความสุขในพระนิพพานจงออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจเจริญสมถะวิปัสสนาอยากให้หลงโลกหลงฐาถ้าไม่รู้ทางพระนิพพาน มีแต่ตั้งหน้าปราถนาเอาเท่านั้นก็จะหลงขึ้นไปในอารมณ์ปประพมชื่อว่าหลงโลกหลงทางไปในภพต่างๆให้ห่างจากพระนิพพานไปการทําบุญกุศลทั้งหลายนั้นไม่ใช่ว่าจะทําให้บุญนั้นพาไปในที่อื่นทําเพื่อระงับดับกิเลสอย่างเดียวอยากเข้าใจว่าทําบุญกุศลแล้วบุญกุศล น, นั้น จะ ย, ยกเอาตัวนําเข้าไปสู่พระนิพพานเช่นนั้นหามิได้ทําเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาแล้วจึงไปพระนิพพานได้กิเลสตัณหานั้นมีอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ทําให้ดับใครจะมาช่วยดับให้ต้นเงาเข้อมูลของกิเลสตัณหาอยู่ที่เราถ้าเราดับไม่ได้ก็ไม่ถึงซึ่งความสุข ในพระนิพพานเท่านั้นดูดกอนอนันอันชื่อว่าเมืองพระนิพพาน ย่อมตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกโลกมีที่สุดเพียงใดพระนิพพานก็ตั้งอยู่ที่สุดนั้นพระนิพพานเป็นพระนมหาคอนครอันใหญ่เป็นที่บรมสุขหาที่เปรียบมิได้คำว่าที่สุดแห่งโลกนั้นจะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาลโลกเป็นประมาณนั้นหาไม่ได้อากาศโลกและจักรวาลโลกนั้นมีที่สุด เบื้องต่ําก็เพียงใต้แผ่นดินแผ่นดินนี้มีน้ํารองใต้น้ําก็มีลมลมนั้นหนาได้เก้าแสนสี่หมื่นยอดสำหรับรองน้ําเอาไว้ใต้ลมนั้นลงไปก็เป็นอากาศหาที่สุดมิได้ที่สุดโรคเบื้องต่ําก็เพียงลมเท่านั้นอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโรคเบื้องขวางนั้นมีอนันต์จักรวาลเป็นเขต นอกอนันตจั ก, กรวาลออกไปก็เป็นอากาศว่างๆอยู่จึงว่าโดยขวางมีอนันตจั ก, กรวาลเป็นที่สุดอันว่าที่สุดแห่งจั ก, กรวานโลกเบื้องบนนั้นมีอรูปปภมเป็นเขตเพราะอารูปปภมสี่ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนิพพานพรมหรือนิพพานโลกนิพพานโลกนี้เป็นที่ไม่สิ้นสุดส่วนว่า นิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าโรคุตรละนิพพานเป็นนิพพานที่สุดที่แล้วต่ออรูปภพสี่ชั้นขึ้นไปก็กเป็นแต่อากาศว่างๆอยู่จึงว่าที่สุดเบื้องบนเพียงอรูปภพเท่านั้นจะเข้าใจเอาเองว่าลมรองน้าและอนันตจักรวาลและอรูปภพเป็นที่สุดของโลกเมืองพระนิพพาน คงตั้งอยู่ในที่สุดของโรคเหล่านั้นดังนี้พระพุทธเจ้าห้ามเสียว่าอย่าพึงเข้าใจอย่างนั้นเลยที่ทั้งหลายเหล่านั้นใครๆก็ไม่สามารถจักไปถึงด้วยกําลังกายหรือด้วยกําลังพาหนะมียานช้างยานม้าได้อย่าเข้าใจว่าเมืองนิพพานตั้งอยู่ในที่สุดของโรคเหล่านั้นหรือตั้งอยู่ในที่แห่งนั้นแห่งนี้ อยากเข้าใจว่าตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเลยแต่ว่าพระนิพพานนั้นหากมีอยู่ในที่สุดของโลกเป็นของจริงไม่ต้องสงสัยให้ท่านทั้งหลายศึกษาให้เห็นโลกรู้โลกเสียให้ชัดเจนก็จะเห็นพระนิพพานพระนิพพา น, พ น, านก็หากตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกนั่นเอง คนทั้งหลายถึงที่สุดโลกออกจากโลกได้แล้วจึงชื่อว่าถึงพระนิพพานและรู้ตนว่าเป็นผู้พ้นทุกแล้วแลอยู่สุขสําราญบานใจทุกเมื่อหาความเล่าร้อนโศกเศร้าเสียใจไม่ได้ถ้าผู้ใดยังไม่ถึงที่สุดโลกยังออกจากโลกไม่ได้ตราบใดก็ชื่อว่ายังไม่ถึงพระนิพพาน จะต้องทนทุกน้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดเกิ ด, กดต้ตา ย, ตายกลับไปกลับม า, าหาที่สุดมิได้อยู่ตราบนั้นบุคคลทั้งหลายเป็นผู้ต้องการพระนิพพานแต่หารู้ไม่ว่าพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนฉันแต่ทานศีล ส, สมาธิปัญญาอันเป็นทางจะไปสู่พระนิพพานก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ ไม่เห็นไม่เข้าใจแล้วจากไปสู่พระนิพพานนั้นเป็นการลำบากยิ่งหนักหมาเปรียบเหมือนคนสองคนผู้หนึ่งตาบอดผู้หนึ่งตาดีจะว่ายข้ามน้ํามหานาทีอันกว้างใหญ่ในคนทั้งสองนั้นผู้ใดจักถึงฝั่งข้างโน้นก่อนคนผู้ตาดีต้องถึงก่อนส่วนคนผู้ตาบอดนั้น จะว่ายข้ามไปถึงฝั่งฟากโน้นได้แสนยากแสนลาบากบางทีจะตายเสียใน่้ำกลางแม่น้ําเพราะไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหนข้ออุปมาณนี้ฉันใดคนไม่รู้ไม่แจ้งว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรฉันแต่ทางที่จะไปก็ไม่เข้าใจเป็นแต่อยากได้อยากถึงอยากไปพระนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้ การได้ถึงของผู้นั้นก็ต้องเป็นของลำบากยากแค้นอยู่เป็นธรรมดาบางทีจะตายที่เปล่าจากไม่ได้เห็นเงื่อนเขาของพระนิพพานเลยผู้ศึกษาพึงเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ที่สุดของโลกศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นทางไปพระนิพพานถ้ารู้อย่างนี้ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานได้บ้าง แม้เมื่อรู้แล้วอย่างนั้นก็จำต้องภาคเพียนพยายามจนสุดกำลังเหมือนคนตาดีว่ายข้ามน้ำก็ต้องพยายามจนสุดกำลังจึงจะข้ามพ้นได้มีอุปมาเหมือนกันเั่นั้นดูก่ อ, อนอนุนบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาพระนิพพานควรศึกษาให้รู้แจ้งครั้นรู้แจ้งแล้วจักถึงก็ตาม ไม่ถึงก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์แก่ใจถ้าไม่รู้แต่อยากได้ย่อมเป็นทุกข์มากนักเปรียบเหมือนบุคคลอยากได้วัตถุสิ่งหนึง่งแต่หากไม่รู้จักวัตถุสิ่งนั้นถึงวัตถุสิ่งนั้นจะมีอยู่ในที่จำเพาะหน้าก็ไม่อาจถือเอาได้เพราะไม่รู้ถึงจะมีอยู่ก็มีเปล่าเปล่าส่วนตัวก็ไม่หายความอยากได้ ยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งมักผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักพระนิพพานก็เป็นทุกข์เช่นนั้นจะถือเสียว่าไม่รู้ก็ช่างเถอะเล่าปรารถนาเอาคงจะได้คิดอย่างนี้ก็ผิดไปใช้ไม่ได้ ผู้รู้แล้วตั้งหน้าบากบั่นขวนขวายจะให้ได้ให้ถึงก็ยังเป็นการยากลำบากอย่างยิ่งบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระนิพพานและจะถึงพระนิพพานจะมีมาแต่ที่ไหนอย่าว่าแต่พระนิพพานเลย แม้จะกระทําการสิ่งใดก็ดีเป็นต้นว่าช่างเงินช่างทองช่างเหล็กช่างไม้ช่างวาดเขียนต่างๆเป็นต้นต้องรู้ได้ใจหรือเห็นได้ตาเสียก่อนจึงจะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จได้ผู้ปรารถนาพระนิพพานก็ต้องศึกษาให้รู้จักพระนิพพานไว้ก่อนจึงจะได้ จะมาตั้งหน้าปรารถนาเอาโดยความไม่รู้นั้นจะมีทางได้มาแต่ที่ไหน ควรจะศึกษาให้รู้ให้แจ้งคลองแห่งพระนิพพานไว้ให้ชัดเจนแล้วไม่ควรประมาทแม้ปรารถนาจะไปก็ไปแม้ไม่ปรารถนาจะไปก็อย่าไปครั้นเห็นดีแล้วจิตประสงค์แล้วก็ให้ปฏิบัติในคลองแห่งพระนิพพานด้วยจิตอันเลื่อมใสก็อาจจักสำเร็จไม่สำเร็จก็จักเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไป ผู้ที่ไม่รู้แม้ปรารถนาจะไปหรือไม่ไปอยู่ใกล้ที่นั้นบ่อยๆอยก็ไม่อาจถึงเพราะเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ที่นั่นที่นี่ก็เลยผิดไปตามจิตที่คิดหลงไปหลงมาอยู่ในวัฏสงสารไม่มีวันที่จะถึงพระนิพพานได้ดูก่อนอนันต์บุคคลผู้ไม่รู้ไม่แจ้ง ไม่เข้าใจในพระนิพพานไม่ควรจะสั่งสอนพระนิพพานแก่ท่านผู้อื่นถ้าขืนสั่งสอนก็จะพาท่านหลงหนทางจากเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตนควรจะสั่งสอนแต่เพียงครองแห่งทางมนุษย์สุขติสวรรคสุขติเป็นต้นว่าสอนให้รู้จักทานให้รู้จกักศีลห้าศีลแปให้รู้ครองแห่งอุสนกรรมบท ให้รู้จักปฏิบัติมาดาบิดาให้รู้จักอุปชาอาจารย์ให้รู้จักก่อสร้างบุญกุศลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็อาจจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพอสมควรอยู่แล้วส่วนความสุขในโลกุตรรนิพพานนั้นผู้ใดต้องการจริงต้องรักษาศีลห้าศีลสิศีลพระปาติโมกเสียก่อนจึงชื่อว่า เข้ไปทางมีโอกาสที่จะได้ถึงโลกุตตะรันิพพานโดยแท้แม้ผู้จักเจริญครองพระนิพพานนั้นก็ให้รู้จักท่านผู้เป็นครูว่ารู้แจ้งทางพระนิพพานจริงจึงไปอยู่เล่าเรียนถ้าไปอยู่เล่าเรียนในสำนักของท่านผู้ไม่รู้ไม่แจ้งก็จักไม่สําเร็จโลกุตตรันนิพพานได้เพราะว่า ครองแห่งโล ก, กุตตรนิพนธนี้เล่าเรียนได้ด้วยยากยิ่งนักด้วยเหตุสัตว์ยินดีอยู่ในการมคุณอันเป็นค่าศึกแก่พระนิพพานโดยมาก อนอุ น, นอันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาซึ่งพระนิพพานควรแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยู่เป็นสุขสําราญมิได้ประมาทเพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่นอันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อผิดไปแล้วก็มีทางแก้ตัวได้หรือไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะไม่ละเอียดสุขุมมากส่วนพระนิพพานนี้ละเอียดสุขุมที่สุด ถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เป็นหนักหนาทำให้หลงโลกหลงทางห่างจากความสุขทำให้เสียประโยชน์เพราะอาจารย์ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดีก็จะได้รับผลที่ถูกที่ดีถ้าได้อาจารย์ที่ไม่รู้ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องก็จะได้รับผลที่ผิดเป็นทุกข์พา้า้หลงโลกหลงทาง พาเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในวังวนแห่งวัตสงสารสิ้นกาลนานเปรียบเหมือนผู้ที่จะพาเราไปในตำบลใดตำบลหนึ่งแต่ผู้นั้นไม่รู้จักตำบล น, นั้นแม้เราเองก็ไม่รู้เมื่อกระนั้นเไห น, นเขาจึงจะพาเราไปให้ถึงตำบล น, นั้นได้เล่าอุปมานี้ฉันใดอาจารย์ผู้ไม่รู้พันิพาน และจะพาเราไปพระนิพพานนั้นก็จะพาเราให้หลงโลกหลงทางไปไปมามาตายเกิดเกิดอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารไม่อาจจะถึงพระนิพพานได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักตำบลที่จะไปและเป็นผู้พาไปก็ไม่อาจจะถึงได้มีอุปมาอุปไมยฉะนั้นผู้คบครูอาจารย์ที่ไม่รู้ดี และได้ผลที่ไม่ดีมีในโลกนี้มิแค่น้อยเหมือนดั่งพระองคุริมานเถระไปเรียนวิชาในสำนักครูผู้มีทิฏฐิอันผิดได้รับผลที่ผิดคือเป็นมหาโจรฆ่าคนร่มตายเสียนับด้วยพันหากเราตถาคตรู้เห็นมีความสงสารเวทนามาคล่องในขายสยามภูยานจึงได้ไปโปรด ทรมานให้ละเสียซึ่งพยศอันร้ายเป็นการลำบากมิแค่น้อยถ้าไม่ได้ตถาคตแล้วพระองคุริมานก็จะได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏสงสารสิ้นชาติเป็นอันมาก คนผู้ไม่รู้พระนิพพานไม่ควรเป็นครูสั่งสอนท่านผู้อื่นในทางพระนิพพานเลยต่างว่าจะสั่งสอนเขาจะสั่งสอนว่าอะไรเพราะตัวไม่รู้เปรียบเหมือนบุคคลไม่เคยเป็นช่างวาดช่างเขียนหรือช่างต่างๆมาก่อนแล้วและอยากจะเป็นครูสั่งสอนเขาจะบอกแก่เขาว่าอะไรเพราะตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ จะเอาอะไรไปบอกไปสอนเขาจะเอาแต่คำพูดเป็นครูทำตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นนั้นไม่ได้จะให้เขาเล่าเรียนอย่างไรเพราะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตาให้รู้ด้วยใจเขาจะทำตามอย่างไรได้ตัวผู้เป็นครูนั้นแหละต้องทำก่อนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นครูสอนเขาถ้าขืนเป็นครูก็จะพาเขาหลงโลก หลงทาเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวหนักหนาทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนุนดังดังนี้แลดูก่อนอานนุนอันว่าบุคคลมึง ผู้จักสอนพระนิพพานนั้นต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพระนิพพานมีอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นๆัต้องรู้ให้แจ้งชัดจะ ก, กล่าวแต่เพียงวาจาว่านิพพานนิพพานด้วยปากแต่ใจไม่รู้แจ้งชัดเช่นนั้นไม่ควรเชื่อถือเลยต้องให้รู้แจ้งชัดเจนในใจเสียก่อน จึงควรเป็นครูเป็นอาจารย์สอนท่านผู้อื่นได้ต่อไปจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้ารู้แจ้งชัดซึ่งพันิผ่านแล้วก็ควรเป็นครูเป็นอาจารย์และควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ได้แม้จะเป็นผู้ใหญ่สูงศักดิ์สักปานใดก็ตามถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่ควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เลย ดูก่อนอนน์ถ้าอยากได้สุขอันใดก็ควรรู้จักสุขอันนั้นก่อนจึงจะได้เมื่ออยากได้สุขในพระนิพพานก็ควรรู้จักสุขในพระนิพพานอยากได้สุขในมนุษย์และสวรรค์ก็แห่งรู้จักสุขในมนุษย์และสวรรค์นั้นเสียก่อนจึงจะได้ถ้าไม่รู้จักสุขอันใดก็ไม่อาจยังความสุขอันนั้นให้เกิดขึ้นได้ ไม่เหมือนทุกในนรกอันทุกในนรกนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทํากรรมที่เป็นบาปแล้วผู้ที่รู้หรือผู้ที่ไม่รู้ก็ตกนรกเหมือนกันถ้าไม่รู้จากนรกก็ยิ่งไม่มีเวลาพ้นจากนรกได้ถึงจะทําบุญให้ทานสักบางใดก็ไม่อาจพ้นจากนรกได้แต่นี้คือว่าทําบุญให้ทานไม่ได้บุญ ความสุขที่ได้แต่การทำบุญนั้นมีอยู่แต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากทุกในนรกเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นนรกตราบใดก็ยังไม่พ้นจากนรกอยู่ตราบนั้นครั้นได้เข้าถึงนรกแล้วเมื่อได้รู้ทางออกจากนรกได้แล้วปรารถนาจากพ้นจากนร ก, กก็พ้นได้เมื่อไม่อยากพ้นก็ไม่อาจพ้นได้ต้องรู้จักแจ้งชัดว่า นรกอยู่ในที่นั้ น, น, นมีลักษณะอาการอย่างนั้ น, น, นและควรรู้จักทางออกจากนรกให้แจ้งชัดทางออกจากนรกนั้นก็คือศีลห้าศีล 10, สิบศีลพระปาฏิโมกข์นั่นเองเมื่อรู้แล้วอยากจะออกให้พ้นก็ออกได้ไม่อยากจะออกให้พ้นก็พ้นไม่ได้ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมได้รับทุกขในนรกเหมือนกันส่วนความสุขในมนุษย์ และสวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องรู้จักจึงจะได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เลยมีอาการต่างกันดังนี้ดูก่อนอนุน เมื่ออยากรู้จักนรกและสวรรค์และพระนิพพานก็ควรให้รู้เสียในเวลาก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่ออยากพ้นทุกข์ในนรกก็รีบออกให้พ้นเสียตั้งแต่ยังไม่ตายเมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือในสวรรค์หรือในนิพพานก็รีบขวนขวายหาความสุขเหล่านั้นไว้แต่เมื่อยังไม่ตายจะถือว่าตายแล้วจึงจกพ้นทุกข์ในนรก ตายแล้วจึงจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานดังนี้เป็นอันใช้ไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าอย่าเข้าใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่สุขอย่างหนึ่งเมื่อตายไปแล้วมีสุขอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้เป็นความที่เข้าใจผิดโดยแท้เพราะจิตมีดวงเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จิตดวงนี้เมื่อตายไปแล้วก็จิตดวงนี้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รับทุกข์ั้นใดแม้นเมื่อตายไปแล้วก็ได้รับทุกข์ั้นนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีความสุขชันใดเมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความสุขชั้นนั้นไม่ต้องสงสัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความทุกข์และความสุขมีสภาวะปานดังนี้เมื่อตายไปแล้วยิ่งจะสําร้าย จะมีท้งรู้ทั้งเห็นด้วยอาการอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์ บุคคลผู้ใดมิได้ทําบุญให้ทาน ร, รักษาศีลเป็นต้นไว้สําหรับตัวเสียก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากได้ความสุขแต่ไม่ได้กระทําตนให้ได้รับความสุขไว้ก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วภายหน้าจึงจะได้รับความสุขเช่นนี้ผู้นั้น ก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากที่จะให้ตนพ้นทุกข์แต่ไม่ได้กระทําตนให้พ้นทุกข์เสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วจึงจักพ้นทุกข์ดังนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดที่ทําความเข้าใจว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นอย่างหนึ่งตายไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้นั้นก็เป็นคนหลง บุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมื่ อ, อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ ไ, ด, ไมด้ไม่เป็นก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วภายหน้าก็จะรู้จักเห็นจักได้จักเป็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเ ม, e มื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้สุขก็ช่างเถดิดตายไปแล้วก็จักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลง บุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ทุกก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วก็จักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้จะทุกข์ก็ดีจะสุขก็ดีจะชั่วก็ดีก็ช่างเถิดตายไปแล้วจักไปเป็นอะไรก็ช่างเถิดใครจักตามไปรู้ไปเห็น ผู้นั้นก็เป็นคนหลงดูก่อนอ น, นุนบุคคลทั้งหลายปรารถนาอยากพ้นทุกหรือปรารถนาอยากได้สุขประเภทใดก็ควรให้ได้ให้ถึงเสียแต่ในชาตินี้ถ้าถือเอาภายหน้าเป็นประมาณแล้วชื่อว่าเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นแม้ความสุขอย่างสูงคือพระนิพพานผู้ปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายให้ได้ให้ถึงเสีย ตั้งแต่ยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ดูก่อนอาบนน์อันว่าความสุขในพระนิพพานนั้นมีสองประเภทคือดิบหนึ่งสุขหนึ่ง ได้ความว่าเมื่ อ, อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่าพระนิพพานดิบเมื่อตายไปแล้วได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นชื่อว่าพระนิพพานสุขพระนิพพานมีสองประเภทเท่านี้นิพพานโลกีนิพพานพรมเป็นนิพพานหลงไม่นับเข้าในที่นี้พระนิพพานดิบนั้นเป็นของสําคัญ ควรให้รู้ให้เห็นให้ได้ให้ถึงไว้เสียก่อนตายถ้าไม่ได้พระนิพพานดิบนี้แล้วตายไปก็จักได้พระนิพพานสุ k นั้นไม่มีเลยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยิ่งไม่มีทางได้แต่รู้แล้วเห็นแล้วพยายามที่จะให้ถึงให้ได้ก็แสนยากแสนลําบากยิ่งหนักหนาผู้ใดเห็นว่าพระนิพพานมีอย่างเดียว ตายแล้วจึงจะได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนพระนิพพานดิบนั้นจกักจัดเอาความสุขอย่างละเอียดเหมือนอย่างพระนิพพานสุขนั้นไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขอันละเอียดสุขขุมหาสิ่งเปรียบไม่ได้อยู่แล้วแต่หากยังมีกลิ่นรสแห่งทุกกระทบถูกต้องอยู่จึงไม่ละเอียดเหมือนพระนิพพานสุขเพราะพระนิพพานสุขไม่มีกลิ่นรส จะมากล้ำกลายปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระนิพพานดิบนั้นต้องให้ได้ไว้ก่อนปายดูก่อนอันนั้นอันว่าพระนิพพานนั้นพึงให้ดูอย่างแผ่นพระธรณี มีลักษณะอาการฉันใดก็ให้ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้นถ้าทําได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบถ้าทําไม่ได้แต่พูดว่าอยากได้จะพูดมามากเท่าใดเท่าใดก็ตามก็ไม่อาจที่จะถึงได้เลยถ้าปรารถนาจกถึงพระนิพพานแล้วต้องทําจิตทําใจของตนให้เหมือนดังแผ่นดินเสียก่อนไม่ใช่เป็นของทําได้ด้วยง่าย ต้องภาคเพียนลำบากยากยิ่งนักจึงจักได้จะเข้าใจว่าปรารถนาเอาด้วยปากก็คงจะได้อย่างนี้เป็นคนหลงใช้ไม่ได้ต้องทำตัวทำใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินให้จงได้ลักษณะของแผ่นดินนั้นคนและสัตว์ทั้งหลายจะททำร้ายทำดีกล่าวร้ายกล่าวดีประการใดมหาปัตพีนั้น กมีได้รู้โกรธรู้เคืองที่ว่าทำใจให้เหมือนแผ่นดินนั้นคือว่าให้วางใจเสียอย่าเอื้อเฟื้ออะไรว่าใจของตนให้ระลึกอยู่ว่าตัวมาอาศัยอยู่ไปชั่วคราวเท่านั้นเขาจะนึกจะคิดอะไรก็อย่าตามเขาไปให้เขาใจอยู่ว่าเราอยู่ไปคอยวันตายเท่านั้นประโยชน์อะไรกับวัตถุ ข้าวของและตัวตนอันเป็นของภายนอกแต่ใจซึ่งเป็นของภายในและเป็นของสำคัญก็ยังต้องให้ปล่อยให้วางอย่าถือเอาว่าเป็นของของตัวกล่าวไว้แต่พอให้เข้าใจเพียงเท่านี้โดยสังเกต คำที่ว่าให้ปล่อยวางจิตใจนั้นคือว่าให้ละความโรคความโกรธความหลงปรงเสียซึ่งการร้ายและการดีที่บุคคลนำมากล่าวมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่มยศนินทาสันเสริญสุขทุกอย่ายินดีอย่ายินร้ายแม่ปัจจัยเครื่องบริโภคเป็นต้นว่าอาหาร การกินผ้าผ่อนเครื่องนุ่งหม่มและที่อยู่ที่นอนเทศัพสำหรับแก้โรค ก, ก็ให้ละความโรคความโกรธในปัจจัยเหล่านี้เสียให้มีความมักน้อยในปัจจัยแต่ไม่ใช่ว่าจะห้ามเสียว่าไม่ให้กินไม่ให้นุ่งหม่มไม่ให้อาศัยสถานที่ไม่ให้กินอยู่กินยาเช่นนั้นก็หาไม่ได้คือให้ละความโรเรในปัจจัยเท่านั้นคือว่า เมื่อได้อย่างดีอย่างปราหนีดก็ให้บริโภคอย่างดีอย่างปลาหนีดได้อย่างเร็วอย่างต่ำช้าก็ให้บริโภคอย่างเร็วสามต่ำช้าตามมีตามได้ไม่ให้ใจคุณมัวด้วยความโรคความโกรธความหลงอย่างนี้แลชื่อว่าปล่อยวางใจเสียได้ถ้ายังเลือกปัจจัยอยู่คือปล่อยให้ความโรคความโกรธความหลงเข้าครอบงาเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี ยังใดอย่างหนึ่งอยู่ชื่อว่ายังถือจิตถือใจอยู่ยังไม่ถึงพระนิพพานได้เลยถ้าละความโลภโกรธหลงในปัจจัยนั้นได้แล้วจึงชื่อว่าทำตัวให้เหมือนดังแผ่นดินเป็นอันถึงพระนิพพานได้โดยแท้มีคำสอดเข้ามาในที่นี้ว่าเหตุไฉนจึงมีให้ถือใจเมื่อไม่ให้ถือเช่นนั้น จะให้เอาใจไปไว้ที่ไหนเพราะว่าไม่ใช่ของคนอื่นเป็นใจของตัวแท้ๆที่จะเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีใจนี้เองถ้าไม่มีใจนี้แล้วก็ตายเท่านั้นจะให้วางใจเสียแล้วจะรู้จะเห็นอะไรมีคําวิสัชนาไว้ว่าผู้ที่เข้าใจว่าใจนั้นเป็นของของตัวจริงผู้นั้นก็เป็นคนหลงความจริงนี้ใช่จิตของเราแท้ ถ้าหากเป็นจิตของเราแท้ก็คงบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าให้แก่อย่าให้ตายก็คงจะได้สักอย่างเพราะเป็นของตัวอันที่แท้จิตใจนั้นหากเป็นลมอันเกิดอยู่สำหรับโลกไม่ใช่จิตใจของเราโลกเขาตั้งแต่งไว้ก่อนเราเราจึงเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมจิตใจนักการภายหลัง ถ้าหากว่าเป็นจิตใจของเราเราพาเอามาเกิดขั้นเกิดขึ้นแล้วจิตใจนั้นก็หมดไปใครจะเกิดขึ้นมาได้อีกนี่ไม่ใช่จิตใจของใครสักคนเป็นของมีอยู่สำหรับโรคผู้ใดจะเกิดก็ถืออารมณนั้นเกิดขึ้นครั้นได้แล้วก็เป็นจิตของตนที่จริงเป็นของสำหรับโรคทั้งสิน้นที่ว่าจิตใจของตนนั้นก็เพียงให้รู้ซึ่งการบุญการกุศล การบาปการอากุศล<ส>และเพียงให้รู้ทุกสุขสวรรค์<ส>และพระนิพพานถือไว้ให้ถึงที่สุดเพียงพระนิพพานเท่านั้นถ้าถึงพระนิพพานแล้วต้องวางจิตใจคืนไว้แก่โลกตามเดิมเสียก่อนถ้าวางไม่ได้เป็นโทษไม่อาจถึงพระนิพพานได้มีคำแก้ไว้อย่างนี้ ก่อนอนนุนบุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบัรเกิดในอารูปประพรมอันปราศจากความรู้นั้นก็ล้วนแต่บุคคลผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักวางใจให้สิ้นให้หมดทุกข์นั่นเองไม่รู้จักวางจิตวิญญาณอันตนเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วรลมของโลกทําความเข้าใจว่าเป็นจิตของตัวและเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ในเบื้องบนนั้น ตัวก็นึกเข้าใจเอาจิตของตัวขึ้นไปเป็นสุขอยู่ในที่นั้นท่า น, นตายไปแล้วก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยู่ในที่อันไม่มีรูปตามที่จิตตนนึกไว้นั้นดูก่อนอ น, อนนลผู้ที่หลงขึ้นไปอยู่ในอรูปประพรมแล้วและจักได้ถึงโลกุตรานิพานนั้นช้านานยิ่งนักเพราะว่าอายุของอรูประมนั้นยืนนัก จะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่อาจนับได้จึงชื่อว่านิพพานโลกีต่างกันแต่ไม่ได้ดับวิญญาณเท่านั้นถ้าหากดับวิญญาณก็เป็นพระนิพพานโลกตะได้ส่วนความสุขความสำราญในพระนิพพานทั้งสองนั้นก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไม่ต่างกันแต่นิพพานโลกีเป็นนิพพานที่ไม่สิ้นสุดเท่านั้นเมื่อสิ้นอานาจของฌานแล้ว ก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายร้ายและดีคุณและโทษสุขและทุกข์ยังมีอยู่เต็มที่เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะปรารถนานิพพานพรมไม่มีเลยย่อมมุ่งต่อโล ก, กุตตรานิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณจึงหลงไปเกิดเป็นอรูประพมส่วนโล ก, กุตตรณนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณวิญญาณยังมีหน้าที่ใด ความเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ณที่นั้นโลกุตตรนิพานปราศจากวิญญาณจึงไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่ความสุขสบายปราศจากอามิ t หาความสุขอันใดจะมาเปรียบด้วยพระนิพพานนั้นไม่มีขึ้นชื่อว่าความเกิดความตายความร้ายความดีบาปบุญ คุณโทษสุขทุกขความทุกยากลาบากเข็นใจทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีในพระนิพพานเลยพระพุทธเจ้าตัดแก่ข้าอานน์ดังนี้แล ก่อนอนุบุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ยังปล่อยวางจิตใจไม่ได้ยังอะไรถึงความสุขอยู่คิดว่าพระนิพพานอยู่ในที่นั้นที่นี้จะเอาจิตแห่งตนไปเป็นสุขในที่แห่งนั้นครั้นจะปล่อยวางใจเสียก็กลัวว่าจะไม่มีอันใดนำไปให้เป็นสุขถือใจอะไรสุขเหตุนั้นจึงมิได้พ้นนิพพานรม ดูก่อนอานน์เราตถาคตสแสดงว่าให้ปรงใจให้วางใจนั้นเราชี้ข้อสำคัญเอาที่สุดมาแสดงเพื่อให้รู้ให้เข้าใจได้ง่ายการวางใจปรงใจนั้นคือวางสุขวางทุกข์วางบาปบุญคุณโทษวางโรคโกรธหลงวางราบยศนินพาสันเสริญหมดทั้งสิน้นเหมือนดั่งไม่มีหัวใจ จึงชื่อว่าทำให้เหมือนแผ่นลินถ้ายังทำไม่ได้อย่าหวังว่าจากได้โลกุตระนิพานเลย